ทำลองทำจระพุตตาวิาวธีปฏิบัติธรรมเหมือนกับอาชีพทางจิตวิญญาณเหลือกินเหลือใช้ถ้าปฏิบัติตาม ที่พระองค์ได้ทรส ง, สงสอนเช่นต่างที่เราได้สาธยายนักมีองค์แปดเป็นหนทางที่สมบูรณ์เป็นเป็นหนทางดำเนินของชีวิตที่จะได้ชีวิตหนืเเอเคยเจเิบตาย ทางจิตวิญญาณนี่เป็นอาชีพของทุกชีวิตเสมอกันหมดไม่เหมือนหน่ชีพทางหาปัจจัยสี่อการเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องอาหารการกิน อันนี้อาจจะต่างกันอาจจะแย่นกันได้คงกันได้แต่อาชีพทางจิตวิญญาณไม่มีใครคงตัวเรามีตจเราเองที่กบเกินตัวเราเทื่อความหลงมีสิตทธิไม่หลงในทุกโอกาสเวลามัน ทุกมีสิทธิไม่ทุกเวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธเวลามันมีอะไรมีสิทธิทั้งนั้น <c oughs> ที่เราไม่มีใครมาเลีอยงเอาอะไรตรงที่เราเปลี่ยนให้เป็น ลายเป็นดีนั่นแหละเรียกว่าได้ชีวิตตัวนั้นแหละอาชีพตัวนั้นแหละถ้าไม่มีอะไรก็อยู่ปกติไป <Okay. S 1> เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบชีวิตของคนเราเหมือนบัวสีเหลาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา ฉันอย่าักแบบไหนดากลัวทั้งเวลามันถูกแสงเดือดมันบานชีวิตของพุทธะมันบานตรงที่มันมีหลงมันมีไม่หลงบานตรงนั้นเวลามันทุกข์มันมีไม่ทุกข์บานที่ตรงนั้นไม่เหมือนไม่เหมือนอันอื่น หรือ้อเชงเช่นดอกบานเที่ยงที่อยู่เฉยเมืาอธรรมชากมันบานในตอนเทียเ่ยงแสงแดดมากแต่ ย, ยิ่งบานสวยงามมากไม่เหมือนดอกไปบางประเภทเหี่ยวเฉาในถูกเวลามันถูกสแสงแดดอันนั้นไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของพุท ธ, ธะหลงเป็นหลงไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์ของพุท ธ, ธะ ทุกเป็นทุ ก, ไ ม, ก, ธธ ก, กไม่ใช่สัญลักษณ์ของพุท ธ, ธะโกรธเป็นโกรธไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งพุท ธ, ธะสัญลักษณ์พุทธะมีตรงนั้นตรงกันข้ามมันจึงเป็นเส้นทางไปถึงความเหนือเกิดเหนือแจ่เหนือเจ็บเหนือตายมันมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดตรงกันข้ามไปแต่พืทธตะพือไป อะไรก็มันก็ต้องมีการตรงกันข้ามแล้วกินเพื่อจะไม่ได้กินแล้วเดินเพื่อจะไม่ได้เดินแม้แต่ลมหายใจที่เราหายใจเพื่อจะไม่หายใจชีวิตที่ยืนเดินนั่งนอนได้นี่เพื่อจะไม่ได้ใช้มันใช้มันเพื่อไม่ได้ใช้ ไม่ไดใช่เพื่อใช่มีอย่างเดียวคือเพื่อใช่มีเพื่อใช่เช่นสติมีเพื่อมีสติไม่เหมือนอย่างอื่นมีหลงเพื่อไม่หลงมีทุกข์เพื่อไม่ทุกข์มีปัญหาเพื่อไม่มีปัญหามีสติมันไม่เป็นอย่างนั้นมีสติก็เพื่อมีสตินี่คือสัจธรรม มันจึงบานได้ทุกโอกาสในทุกรดีของชีวิตตั้งแต่รูปแต่นามไปถ้าไม่มีทุกข์ก็อยู่กันไปไม่มีหลงก็อยู่ไปไม่มีอะไรที่มีปัญหาก็อยู่กันไปเป็นปกติํำเนินชีวิตไปตามหลักของความถูกต้องธรรมชาติจิตเดิมแท้ของเดิมแท้ มีกายมีใจเพื่อให้เราใช้มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนเพื่อให้เราใช้ตามธรรมชาติต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องเพื่อนไหวตามธรรมชาติตามธรรมชาติถ้าผิดธรรมชาติก็ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องจนทำให้ไม่ต้องจนมีได้ทุกโอกาสในการใช้ชีวิตของเรานั้นคนมีอาชีพแน่นหนาะไม่ได้แบบหนึ่งก็เอาแบบหนึ่งเห็นความรู้ที่แน่นหนาะในด้านอาชีพก็มากมายในด้าน อื่นๆก็ว่างที่ให้ได้อาชีพที่ให้ได้ปัจจัยไม่มากอาชีพทางกิตวิญญาณก็มากยิ่งกว่าอาชีพทางปัจจัยสี่มากมายอาชีพทางปัจจัยสีต้องมีการในเวลาที่ใช่ได้ เมื่อแข็งแรงมากก็ทำได้เท่าแก่ชรามากก็ทำไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นแต่อาชีพทางจิตวิญญาณไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีแก่ีหนุ่มไม่มีเพศภาวะใดต้องใช้ส่วนตัวเป็นชีวิตส่วนตัวตลอดเวลาจึงเป็นมนุษย์สมบัติ มนุษย์สมบัติภูมิใจที่ได้รูปได้นามมาได้สัมผัสอะไรตู้ได้ภูมิใจที่ยุงกัดมันเจ็บภูมิใจที่มันไม่มีอาหารมันรู้จั ก, กหิวข้าวภูมิใจที่มันยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ออกมาใช้เป็นประโยชน์ จึงเป็นสมบัติของชีวิตเราไม่น่นา จ, จะไปหลงไปโศกไปทุกข์ไปหวัวเราะหลงหงายมันแน่วแน่ตรงที่มันผิดเท็จแล้วให้ทำให้มันถูกนั่นแหละมันมีชีวิตชีวามากเพื่อการนี้โดยตรง ไม่ใช่อย่างอื่นในชีวิตเราหรอถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ไปชีวิตใช่เพื่อสิ่งอื่นมากมายอย่างอริมักที่เราึษาทะยายเอาไปใช่อย่างอื่นความเห็นชอบไปเห็นอย่างอื่นความเห็นชอบเห็นเหตุแห่ เ, เหตุทุกข์เหตุแห้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์วิธีที่ดําเนินให้การดับทุกข์ แต่เห็นอันอื่นมากมายกว่านี้ไม่ได้เห็นแบบนี้คนนี่นะ่ะลักคนนี่หน่าชังคนนี้พอใจหน่าพอใจเสียใจชอบไม่ชอบไปเห็นอย่างนู้นรวมดำดี่ชอบเมื่อดําดำดีไปอย่างอื่นไม่เห็นไม่ดำดีชอบในฌานไปบาศไม่ดํำดีชอบในการไม่มองไร่ไม่ดำดีชอบในการไม่เบียดเบียน อานพูดจาร์ชอบไปพูดอย่างอื่นไม่พูดด้วยสุจริตอาจารย์สุจริ ต, ลตแล้วก็เสียเวลาบ้างเป็นผลพวงไปมากมายและมาโอมชีวิตเราไว้ได้โดยเพราะคำพูดเนี่ย พูให้คนละคนชังได้พูดให้เสียเงินเสีอทองได้พูดใด้เขามาค่าชีวิตเราก็ได้ในการเหี้ยชอบมันไม่มากแต่ความเมตตไม่ชอบมันก็อาการพูดจาชอบไม่มากแต่การพูดจาไม่ชอบมีมากมายจึงจะมีตัวหมดกฎหมอยป้องกันไว้ว่าใ น, น้อยการพูดจาชอบ การทำงานชอบก็ไม่มากการเลี้ยงชีวิตชอบก็ไม่มากความภาคเพียรชอบก็ไม่มากการตั้งสติไว้ชอบก็ไม่มากการตั้งใจมั่นชอบไม่มากนีอยู่กับตัวเราเนี่ยส่วนนั้นเดินที่ไม่ใช่อยู่กับตัวเรายังไปเสียเวลาเห็นผิดน้ำเลีผิดผู้จ๋าผิดการอา <c oughs> การทางานผิด <c oughs> การล <c oughs> ยังชีวิตผิดการภาพเปลี่ยนผิดการตั้งสติการหลงการตั้งใจไม่ถูกต้องมีมากยังไปยังไปใช่อยู่เลยไม่สำเร็จไม่ดูจากทิศทางหลงพาให้หลง มามืดเ้าไปมืดบางทีมาสว่างไปมืดมืดแต่ก่อนดีอยู่แล้วเหมือนกับสว่างสวายอยู่เราก็เลยไปมื ด, มดเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ปฏิบัติตามธรรมนะปฏิบัติตามธรรมเนี่ยไม่มากร อ, รอเหมือนบัวรอแสงแดด เกิดขึ้นมาเพื่อแสงแดะเพื่อเบ่งบานอะไรทีม่มันใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่เพื่อเบ่งบานคือไม่หลงไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เป็นอะไรกับอะไรเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตของเราแนละ้มีอยู่จริงแสงเดดมีอยู่จริงโลกนี่มีอยู่จริงทิ น, น้ำลมไฟมีอยู่จริงแต่เพื่ออะไร เพื e: ่อการนี้เกิดมีอยู่จริงแก่ไม่อยู่จริงเก็บมีอยู่จริงตายอยู่ปีอยู่จริงในความเกิดมันก็เป็นความไม่เกิดมีอยู่จริงในความแก่ก็มมีความไม่แก่ในความเก็บก็มีความไม่เก็บในความตายก็มีความไม่ตายมีอยู่จริงตรงกันจริงๆมาที่เฉดมาได้ในโลกนี้โอกาสโลก มีแผ่นดินมีท้องผ้ามีแสงอาทิตย์มีละอองฝนมีฝนตกมีโค่นเมฆสรระจิงทั้งหลายอยู่ในนี้แล้วเจ้าจึงเตียบเหมือนกระโดก บ, บวัวเหมือนกับบวัวเบ่งบานขณะที่มันถูกแสงดงดแสงแดดเป็นร้อนแต่สิ่งที่ เบ่งบานในความรอดมีประโยชน์จากที่ปิดบังเอาไว้กลายเป็นดานเบ่งบานในขณะที่มันหลงมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาบานออกมาในขณะที่มันทุกข์มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเบ่งบานออกมาในขณะที่มันเกิดมันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเบ่งบานออกมา ในสัตวที cache, giving, ่มันแก่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิปัญญาเหมือนเจ็บมันตายมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเบ่งบานออกมาก็เลยเป็นคนลดวันไม่เหิวเฉาทำงันข้ามครามเขียวความเหิวเฉาความเจ็ความเก็บความตายเป็นความเหียวความเฉาไม่เบ่งบาน ชีวของเรามันเป็นเช่นนั้นมันจึงมีค่าถ้าหลงเป็นหลงไม่มีค่าเลยถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีค่าเลยถ้าโกรธเป็นโกรธไม่มีค่าเลยเรา เ, เสียเวลาลราใช่จึงเหล่านี้กี่หมื่นเหกียรติสงขัยมาแล้วไม่ใช่หลงเป็นพืชเหมือนเหมือนเช่นได้ ไม่ใช่โกดเป็นพืชเหมือนเช่นได้ไม่ใช่ทุกเป็นพืชเหมือนเช่นได้หรือสายฝอยเมื่อเห็เขาไม่ใช่เงินมีเป็นข้างไม่เลยเห็นผิดมันก็ไม่มีเห็นมันก็เห็นถูกมันเป็นอย่างนั้นเห็นผิดไม่ใช่เห็นตลอดเวลา เวลามันทุกมันก็ไม่ใช่ทุกตลอดเวลามันมีเป็นครั้งมีเหตุมีปัจจัยสมมทิที่เห็นเห็นชอบเห็นผิดไม่ถูกความถูกความทุกข์ไม่ถูกความไม่ทุกข์ ม, กมันถูกมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันพืชไปปฏิบัติธรรมมันเอาตรงนี้ จึงไม่เสียกำลังไม่เสียเวลาไม่ได้ทําำตลอดเวลาถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำมันก็ไม่ได้สมบุกสมบืนอะไรมากมาย จะนั่งจะนอนจะเดินจะเดินก็มีได้อยู่ในอริบทไหนก็มีได้ส ต, ตินี่อย่าไปใช่อริบทที่เป็นรูปแบบกรรมฐานอย่างเดียวอนั่นเป็นแบบฝึกหัดเหมือนเราหัดเขียนหนังสือหัดอ่านหนังสือเป็นบทฝึกหัดตั้งแต่อนุบาลปฐม โบขึ้นชั้นมัธยมอุดมไม่ต้องไปหัดเหมือนคนเรียนวิชาสูงสูงขึ้นไปอาจจะไม่ต้องถือหนังสือก็ได้ฟังคําบรรยายเพราะมันมีอยู่แล้วสูตรของคู่บรรยายที่บรรยายอยู่กับสูตรอยู่ในชีวิตของเรามอยู่แล้วมันก็นตอบไปได้ นั่นก็บันเทึกได้การบันทึกคุณสมบัติเจนสี น, นเช่นสมาธิเช่นปัญญาไม่ใช่ไปท่องจ ำ, จำเหมือนกับลำดับท่องจำภาษาไปหัดมันไม่ใช่หุงหัดตลอดเวลาหรืกว่าทำให้มันเป็น ในความหลงไม่มีแบบฝึกหัดมันยังหลงนะในความรู้เราจะไปใส้แบบฝึกหัดอยู่แล้วก็ไปทันความหลงเขาไม่มีแบบฝึกหัดเราใช้ได้ทุกกรดีความหลงความรู้เราก็เจ๋งกว่านั้นเจ๋งกว่านั้นเหมือนคนมีวิชาชีพมันเจ๋งกว่านั้น อาชีพทางกิจวิญญาณสะดวกกว่ามิชัอาชีพเถือเจ็บจบตายไม่สะดวกเลยจึงไม่ต้องเรียนก็ได้เพียงแต่เราฟังพระองค์ทรงแสดงเ ป, เ, ปเป็นทางบุกเบิกเลยแล้วเรามาเห็นโชคเป็นด้วยตามโลกมันก็ใช่ได้ ไม่ต้องไปหัดอะไรเห็นชอบไม่ต้องไม่ใช่ฝึกหัดดั่ดีชอบก็ไม่ใช่ฝึกหัดผู้เจ้าชอบก็ไม่ต้องฝึกหัดการทำงานชอบก็ไม่ต้องฝึกหัดการเลี้ยงชีวิตชอบไม่ต้องฝึกหัดวางภาคเพียรชอบไม่ต้องฝึกหัด การตั้งสติชอบไม่ต้องฝึกหัดการตั้งใจชอบไม่ใช่ฝึกหัดทำไปเลยพอทำได้ก็เป็นไปเลยทำเป็นทันทีมันหลงไม่หลงไม่ได้ฝึกเพราะทำมันมันเป็นการกระทำไปเลยมันทุกข์ไม่ทุกข์เป็นการกระทำไปเลยอาจจะไม่แสดงทางอาการออย่างใดอย่างไางไเป็นความเห็นไปเลย พัแดแสดงไปเลยอย่าเป็นบทเรียนแต่เป็นบทเรียนเนี่ยมันก็เรียนอยู่เสมอได้บทเรียนจากความหลงไม่ต้องหลงไม่ต้องเอาบทเรียนจากความหลงมาได้เลยรู้ไปเลยไม่ทุกก็ไปทุกไปเลยไปเวิ่มันทุกเกี่ยวกัทุกงั่นเลยมันมีคุณสมมติเหมือนบัวอยู่ในน้าํามันก็ไม่ต้องเปียกน้า ไม่ต้องเปรียกอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วมันเป็นคนสมบัติอยู่แล้วไม่ต้องไปว่าเมื่อไรบัวไม่อยู่ในน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรมันอยู่พุ่นน้ำแล้วก็มีใบบัวแล้วก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับน้ำอะไรมันก็เป็นคนสมบัติของมันเองอชื่อว่าบัว ชีวสติปัญญาเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ไปเองมันจึงมีโอกาสมันเป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จบแค่นั้นแั้วก็จบแค่นั้นเพราะมันไม่อะไรมันผ่านมามันเห็นมาแล้วมันจึงไม่เป็นผ่านมาทุกอย่างเลสุขละทุกข์เสียได้มีสติ เป็นปกติแล้วแลลวอยู่ปกติเป็นคนสมบัติของพุทธะปกตินี้เป็นไม่ใช่ปกติแบบมีสมมติบัญญัติเป็นปกติที่เป็นคนสมบัติที่มันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนี่คือภาวะแห่งเป็นพุทธะ ความลู่ลู่ตื่นลูเบิกบานเหมือนดอกบัวเบ่งบานแข่งกับความหิวเฉามันผ่านมันผ่านจากธรรมชาติกฎธรรมชาติ ได้เห็นความเป็นจริงของมันชีวิตของเรามันก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชา ต, รรชาติสู่ธรรมชาติคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติทั้งหมดอย่าฝืนธรรมชาติแต่เดิมมันเป็นถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตมริสุทธ เป็นจิตเติมเดิ ม, ดมนั่นเป็นของธรรมชาตินั้นความโกรธความโลภความหลงความลักความชั่งชิดตัณหาราคะความโมโหหนอนความฟุ้งซ่านความเล่สยสงใจความคิดมาทีหลังมันจรมาทีหลังธรรมชาติมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วธรรมชาติมันใหญ่อะไรถ้าเป็นธรรมชาติยิ่งใหญ่ ชีวิตที่มันสู่ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เช่นตาไม้ถ้าธรรมชาติล้วก็ยิ่งใหญ่แต่ก่อนนี่ทางด้านหินโข่งทางด้านทิศเหนือสระหม้หอไตนี่ธรรมชาติถูกทำลายมี เชื่อเพิงมีหญ้ามีพงมากมายก็ธรรมชาติถูกทหลายไปเกิดไฟไม่ป่าเกิดไฟไม่ป่าลุกพุ่มต้นไม้โตดไม้นนน้องต๋ออยู่วัดภพเขาถองไม่ทีแอดล่องให้ไปหา เราจะอยู่ยังไง ร, รองพ่อไปไม่วัดหมดแล้วอาจารย์ทรงเสียนบอกให้พวกหนูขนของไปไปสระน้ำกติในเขตผู้หญิงให้แม่ชีขนของออกหนีหมดไปอยู่สระน้ำไปลุกแรงมาก้วเลยบอกว่าไม่ต้องขน มันไม่มาได้ถึงที่มันมีเชื่อมีเชื่อเพิงมีปะพงมีย่าคาว่ามาถึงเขตผู้หญิงตั้งแต่เขตแตว่าแต่นี้ไปทางด้านทิศตะวันออกเสียงใต้ทิศใต้ไปไฟไม่เข้าเข้าไม่ได้ไ้มันหยุดเอง มันจะหยุดยังไงมันลูกท่วมต้นไม้เบี้ยวไ ม, ไม้มันไม่ไม่ไม่หยุดตกมันท่วมมาเลยหยุดต้องหยุดแน่นอนมันเข้าไม่ได้มันธรรมชาติมันมีป่าไม่ต้องขนหนอกเราก็เป็นเช่นนั้นจริงพอมันไม่ไปแถวกะตีแถวนี้ไปถึง น, นี้ก็หยุดลงมันไม่ไหมก็ ไ, ไปโดนสักทีธรรมชาติ มันยิ่งใหญ่ชีวิตเราถ้าสู่ธรรมชาติแล้วยิ่งใหญ่นะธรรมชาติแต่เดิมนัม้นจิตบริสุทธิ์แต่ก่อนลงถูกอะไรมันครอบครอราอเรามาเห็นเข้าเห็นเข้าเห็นอันเดิมเดิมมันเลยคืนมาธรรมชาติมาคืนมา เมื่อธรรมชาติเกิดขึ้นก็มีสิ่งต่างเกิดขึ้นมีศีล ม, มีสมาธิมีปัญญามีมากมีผลเกิดขึ้นชีวิตของเราเป็นเช่นนั้นจริงๆแนละ้วเสียดายเสียดายคนที่หลงคนที่ทุกคนที่โกรธคนเขาไม่ได้หลงเขาไม่ได้ทุกเขาไม่ได้โกรธเขาปิดบังตัวเขา แล้วมันก็หุบไปได้มันจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้วันที่สุดก็ไม่ใช้ความหลงก็ไม่ใช่ความโกรธก็ไม่ใช่ความทุกข์ก็ไม่ใช้อย่ายึดถือไว้หัดปล่อยหัดวางมีสติง่ายง่ายเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเน่ยง่ายง่ายเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธง่ายง่ายมีเยอะแยะ อย่าจนตรงนี้อย่าจนต่อความหลงอย่าจนต่อความทุกข์อย่าจนต่อความโกรธอย่าตนต่อความดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอย่าจุนตรนไม่น่าจนเลยมีสิทธิร้อยเปอร์เซนไตรสิทธิของตนร้อยเปอร์ซนน้องสิงหเงินเปรียบเทียบด้วย สิ่งที่เราหลงคนอื่นเข้าไม่หลงสิ่งที่เราทุกคนอื่นเข้าไม่ทุกมีในโลกนี้จะดูกจกทลาออกมีพลังหาเหนียวร่วมหาชวนร่วมอย่าจนยิ่งเรามีกรรมฐานวิชากรรมฐานเนี่ย เอาลงเลยใช้ไปเลยถ้าไม่เก่งอย่าทิ้งสูตรจับสติตรงตัวที่ยุกมือขึ้นวิงลงเขานี่อย่างนี้เหมือนการศึกษาถ้ามันเห็นอะไรที่มันไม่จำสูตรไม่ได้ก็เปิดตำรา ด, ดูเหมือนห้องพ่อไปดู เขาศึกษาการแพทย์ศึกษาเครื่องศพเอาศพไปฝากทักลมหาไหลไพ่ไปบานลงไพ่บานขอ น, กนเกล็ดไหลขอนแกล็เอาศพไปฝากแมอบให้เขาเขาให้ไปดูที่เอา น, นักเดียนแพทย์ผ่าศพเอาศพมาวางบนเตียงแล้วก็เอามีดปาดตรงนั่นปาดตรงนี้น ว่าปาดไปเห็นอะไรแต่เขาก็บางคนก็ไม่ได้อ่านตำราบางคนว่าปาดไปเจอแล้วมาดูตำราบางเปิดตำราดต่าตำราก็วางไว้บนโต๊ะเนี่ยศพกอดนอนอยู่นี่เปิดปาดไปแล้วไปเห็นไปเห็นอะไรที่เขาศึกษาก็ไปดูตำรามันอันเดียวกันตำราก็อยู่ในนี่ตอนนี่ก็อยู่ในตำรา มีสูตรจากนี้ชีวิตเรามีมิสูตรจากนี้แต่ไม่ต้องไปเปิดตำลาที่เป็นเรื่องอื่นเลยในความหลงเอาเลยไงตำลาในความไม่หลงอยู่แล้วมีรู้ได้ในความหลงไม่ความรู้ได้เหมือนบัวที่มันมีแสงแดดมันต้องบานได้ให้มีกำลังใจมีมีหวังใช่ไอย่างนี้ล่ะไม่เยวหรอก แม้แต่ความเห็นก็ไม่ยอมให้มันเห็นยิ่ๆนะีเอยเราถอะอย่ไม่เป็นไรไม่น่าจะหลงไม่น่าจะทุกข์จริงจริงคดกับเรานะก็ไม่ทุกข์ก็ไม่หลงนิดเดียวยน่าจเดียวมันไม่มีวิธีใดสะดวกเท่ากับเรื่องนี้เลยปฏิบัติทำแนวเหนกายในกายเป็นประจำ เห็นเบิดธนาเห็นจิตเห็นธรรมเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วเปิดทางได้แล้วปฏิบัติธรรมจับสิ้นทางได้เยียบถูกปัจจันธ์ทีเลยสมมาสติมาถึงนี่เลยไม่ต้องทําอยันเดือดไม่ต้องเริ่มต้นทีน้อยสมมตสติความเลือกชอบเป็นอย่างใดเล่าตัวกายเป็นสูตรเลยรู้สึกตัวไปเลย มีการก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นเมนือกายมากมายาการเป็นจักแต่ว่าแล้ก็เป็นกายอันความอันที่มันเกิดขึ้นไม่ั้งสุขไม่ต้งทุกข์ไม่ต้งเวีธนาต่อพืชไป <c oughs> ไปจบอยู่แค่ธรรมชุดเท่านั้นเรื่องของกายไปอยู่แค่ธรรมเรื่องของสติเห็นกายเห็นจิตไปอยู่แค่ธรรมคือ เหมือนกับการเห็นชอบในหลักอริมักทั้งหมดรวงอยู่ที่นี่เลยความเลือกชอบควเห็นชอบ ท, ทั้งต้นไปนี่เลยมีสติเห็นการเนเหมือนกับเดินอยู่ในองค์มรรคไปเลยทีเดียวในองค์มรรคที่มีอะไรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมาธิที่สมาสังกัปปะ เป็นศีลออเป็นปัญญาใช่สัมาทิฏฐิสัมมาสังกะะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมาชวะสัมมาวาจามยสัมมาสัมมากรรมตาสัมมาวาจาสัมมาอาชโวเป็นศีลนั่นสัมมา ว่วายาโมส ม, มาสติส ม, มาสมาธิเป็นปัญญาในอริมัติอยู่ในนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยเฉดไปเลยรู้ไปเลยมีสติก็รับความชั่วเป็นชินแล้วมีสติก็ทำความดีเป็นสมาธิแล้วเห็นความชั่วได้เปลี่ยนเป็นปความ ไม่เห็นความผิดเห็นเปลี่ยนเป็นความไม่ถูกเป็นปัญญาแล้วเพรมันไปเสร็จเลยพวงไปเลยไปเชื่อเชื่อที่นัหนการปฏิบัติธรรมมันเป็นความรีบรวดแต่เล่เล่นข้องแวะไปไม่ค่อยถึงเอาผิดเอาถูกบอกอยู่แล้วว่ามันผิดเห็นมันผิดไปเลยมันถูกเห็นมันถูกไปเลย เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกอยากได้ถูกไม่อยากให้มันผิดอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันพผงซ่าบคงว่าไม่ดวนเลยเห็นเนี่ยมันง่ายๆนะเห็นเนี่ยสะดวกสะดวกนะพูดอยางเนี่ยภาวะคําพูด<อ>น่าจะ<อ>ดึงกันเปลากกันไปเลย<อ>เห็นไม่เป็นเนี่ย<อ>เห็นทุกข์<อ>ไม่เป็นทุกข์ พ้นจากทุกข์ลดนิมือเดียวได้เห็นทุกข์เป็นผู้ทุกข์เขียนตนเดีงก็ไม่ได้เป็นชั่วโมงสงชั่วโมงหรือบางทีทุกข์เกิดขึ้นข้ามวันข้ามเกินโกรธเกิดขึ้นต้องข้ามปันข้ามเกินเป็นเดือนเป็นปีก็มีมันเขียนยากกิ่งคกขึ้นเขาทุกข์ขปฏิบาาัติธาปฏิบัติลำบาก แบบสุขปฏิปทาปฏิบัติสะดวกเห็นไม่เป็นเนี่ยสะดวกท้งสะดวกไม่มอยู่สมมาทิที่เห็นชอบเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่สมมทิที่เขเห็นชอบนน้อยหยิบมือเนี่ยมันมากความเห็นชอบนเนาะเห็นผิดมันทุกเห็นมันทุก ไม่เป็นผูทุภัณ้นจากความทุกข์นี่สมมาทิติไม่ต้องหลักการปฏิบัติมีทั้งสมมาสมาสติไม่ต้องส ม, มาส ม, มาธิในสมมาทิติมากันเป็นแถวช่วยกันไปเลยเป็นทั้งศูนเป็นส ม, มาธิเป็นทั้งปัญญาผ่านได้ยดาไป เอาอันอื่นของแวะอันอื่นบางทีไปพิธีทำโน่นพิธีทำนี่บางทีก็นอกออกไปหลยไม่เข้ามาหาวงในเนีไมาเห็นอย่างนี้มันก็โม่หลงมาจบไปเลยเชื่อการทำอย่างเดียวพิธีกรรมต่างๆไม่ใช่เลยเป็นหลักปฏิบัติลงไป เป็นหลักปฏิบัติลงไปเอาพิธีเป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่พิธีเป็นพิธีไม่ใช่พิธีไม่ใช่หลีตองเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นตัวปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่พิธีนะ บางทีพิธีมันบังไว้อ้างข้องอยู่กับพิธีกันไปไม่ใช่ชินจริงๆสมาธิจริงๆปัญญาจริงไม่ใช่พิธีไม่ใช่กรรมพิธีเป็นตัวปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นชินก็ไม่ใช่น้อยสมาธิก็ไม่ใช่น้อยปัญญาก็ไม่ใช่น้อยทั้งสามอย่างนี้เป็นมรรคเป็นผลไปเลย จึงเป็นธรรมจักรเกิดขึ้นหมุนไปที่ใดเลยเียบไปเลยนะได้มีสินมีสมาธิมีปัญญาเป็นสินฉิกขาสมาธิสินที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันสินฉิกขาเป็นสินที่เหยียบย่อม ผวมชั่วอกุศลทั้งหลายลาบเลียบไปถลุงย่อยออกไปหมดเลยศีลเนี่ยมัใช่ศีลสังคมนะศีลถลุงศีลของศิกขาและทำเป็นเครื่องชีวิตมันได้ชีวิตจากศีลเวลไดชีวิตจากสมาธิมันได้ชีวิตจากปัญญาชีวิตที่เป็นผมไม่จันเราจังชัวต๊จิก สิกุณังสิกขาชาชิวาสมัปปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาได้ทำเป็นเครื่องชีวิตสิกขาได้ทำเป็นเครื่งชีวิตคือศีนิสมาธิปัญญานี้แล้วยกมือมีสติยกมือชา่างจังหวะก็เป็นสีนมีสติก็เป็นสมาธิสายใจอยู่เสมอ14จังหวะรู้อยู่เสมอเป็นสมาธิวิละมันหลงเปลี่ยนมาเป็นรู้หรือเป่าปัญญา โลกวงจรหมุนก็อยู่ในสิ้นสันนพสันนนเกิดสมาธิสมาธิสนับสนุนเกิดปัญญาปัญญาสันนพสันนเกิดศิ้นสิ้นสัมสัมเนกเกิดสมาธิปัจจามาธิสันนพสันนเกิดปัญญาปัญญาสนนพสันนเกิดศิ้นสมมาธิี่สัมมาสังกโปปะเป็นปัญญาบางทีคนเทศคนส่นสิ้มาก่อนมันไปตอบจะนั่นม่ด้มันเป็นวงในจะให้ไหลบอกมากมาก่อน สมาทิฏฐิเป็นปัญญาปัญญาสัมมาสังกปปเป็นปัญญาสัมมาวาจาเป็นศินละวนอ้าวปัญญาทให้เกิดศินสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชเป็นศินละวนสัมมาวายาโมสัมมาเิสัมมาอ้าวเป็นปัญญาละวนปัญญาสัมมา สมาธิเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสมาธิต่านอเป็นเช่นเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วนู้นเป็นไงเราไม่สติยกมือนี้ไปกันเลยเป็นทั้งเินเป็นสมาธิเป็นทั้งปัญญาไปแล้วใช่นะไม่ไม่ไม่ให้ไปแป็บท่องจำไม่ให้เป็นรูปคํานะนั่นรูปเนี่ยสติรูปเนี่ยเวลามันไม่ใช่ความรู้เปลี่ยนเป็นความรู้เนี่ย จึงจะเป็นเป็นสิกขาแต่หลงเป็นหลงไม่เป็นสิกขานะหลงต้องเป็นรู้นะจึงจะเป็นสิกขาและทําเป็นจะได้ชีวิตชีวิตมันเกิดจากตัวนี้แต่หลงเป็นหลงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะเสียเวลาตัวนี้ไม่ได้ตัวด่วนชั่งหน่อยแต่หลงเป็นหลงทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขผิดเป็นผิดไม่ใช่ไม่ใช่ฉิกขา ทำเป็นไหมไม่คิดทำเป็นไหมเนาะฮ่า <c> ฮ <oughs> ้บานตรงนี้นะนี่ดอกบัวหลงมันเป็นแสงเดือดในหลงมันไม่หลงเป็นดอกบัวทำได้ไหมในทุกเป็นแสงเดือดในทุกมันไม่ทุ ก, ทกเป็นดอกบัวมันบานอยูอย่ไหนเรื่องทุกมันไม่ทุก โกรธมันไม่โกรธความหลงมันไม่หลงมันบิ่งต้องนี่นะถ้าไม่บิ่งต้องนี่มันแค่ดอกพัวนะไม่ใช่พุทธะนะพุทธะมันเบ่งบานนย่างนีะนี่ไหมขคย่งที่ยกมือช่างอยู่างมันหลงนั่นแหละเบ่งบานลูกอันเบ่งบานไม่ใช่ไปตอกบัวอยู่ในสระโน่นบานอย่างนี้รวมลูกสึกตัวนะมันมีชีวิตชัวมันทุกข์ลูกขึ้นมามันโกรธลูกขึ้นมาอ๊ะ สนุกนปะปฏิบัติธรรมเนี่ยคยไม่สะดวกก็หน้าเศร้าหน้าหมองลวลาสร้างใจว่านอนนอนก็นนไม่ถูกชื่นบานเยียม <c oughs> เย้มใจอส่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ับอาสบควรใจเวลากลับไป